ก้าวลวงในวัฏสัาญนณสัญญาตนะญญาญาตนนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงสัญญาเวทายตะนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายก็หมดสิ้นไปพึงก็ใจความในบาลีนี้ท่านเล่าเฉพาะลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติและการบรรลุผลแท้ๆไม่กล่าวถึงเหตุการณ์และรายละเอียดต่างๆในระหว่าง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 เมื่อใดภิกษุเข้าบ้างออกบ้างซึ่งสมาบัตินั้นนั่นหละเมื่อนั้นจิตของเธอก็เป็นของนุ่มนวลควรแก่งานด้วยจิตที่นุ่มนวลควรแก่งานนั้นสมาธิอันหาประมาณมิได้คือสมาธิที่กว้างขวางประณีดีล้าเลิศย่อมเป็นสิ่งที่เธออบรมแล้วเป็นอย่างดีด้วยสมาธิอันหาประมาณมิได้ ที่อบรมอย่างดีแล้วนั้นเธอจะน้อมจิตมุ่งไปเพื่อประจักษ์แจ้งด้วยความรู้จำเพาะซึ่งอภิญญาสัจจิกรณยธรรมอย่างใดๆก็ยอมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยานในธรรมะอย่างนั้นๆได้ในเมื่ออายตนะมีอยู่กล่าวคือถ้าเธอจำานงอิทธิวิทาก็ยอมถึงถ้าเธอจำานงทิพยโสตก็ยอมถึง ละจนถึงถ้าเธอจำงอาสวะไขก็ยอมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยานในธรรมะอย่างนั้นนั้นได้ในเมื่ออายตนะมีอยู่เมื่อเทียบกับบาลีบทหลังนี้แล้วก็จะมองเห็นข้อความในบาลีบทแรกที่ว่าเข้าถึงสัญญาเวทายตะนิโรธกับเพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายก็หมดสิ้นไป